วันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบรตรสัทว์ผู้ฝ่ายธรรมไได้มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ร่างกายด้วยปัจจัยสี่และการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆวันนี้มันเป็นวันที่หยุดเป็นเวลาว่างก็เลยมาวัดเพื่อมาเรียนรู้วิธี ดูแลรักษาใจที่เป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งของชีวิตพนอกจากร่างกายแล้วชีวิตของเราก็ยังมีจิตใจที่ต้องการความดูแลเหมือนกับการดูแลร่างกายเราดูแลร่างกายด้วยการหาปัจจัยส มาให้แก่ร่างกายหาอาหารหาเครื่องนุ่งห่มหาที่วักาศัยหายารักษาโรคเพื่อให้ร่างกายอยู่เป็นปกติสุขส่วนใจนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีการเลียงดูดูแลรักษาเช่นเดียวกันรักษาใจ ให้อยู่อย่างปกติสุขไม่เกิดความเศร้าเศร้าหมองไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความวุ่นวายใจต่างๆการที่เราจะรักษาใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเราจําเป็นที่จะต้องคอยกําจัด เหตุที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจของพวกเราเหตุที่นำมาซึ่งความทุกข์ใจเศร้าใจไม่สบายใจเกิดจากการกระทาที่เรียกว่าอากุศลประกรรมสิบประการด้วยกันนี่นนนคือสิ่งที่เราต้องคอยกาจัดให้มัน ออกไปจากใจอย่าให้มันมีบทบาทในการมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่ใจของเราอักุศลสิบประการนี้มีแบ่งไว้เป็นสามส่วนด้วยกันคืออักุศลอกุที่เกิดขึ้นทางกายแล้วก็อักุศลที่เกิดจากทางวาจา และอากุศลที่เกิดขึ้นในใจมีสามส่วนด้วยกันที่เราจะต้องคอยกำจัดมันอย่าให้มันโผล่ขึ้นมาอย่าให้มันมามีบทบาทเพราะบทบาทของอากุศลนั้นมีเพื่อสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเรานั่นเองถ้าเราสามารถกำจัดอากุศลต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ใจเราก็จะอยู่ปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆนั่นเองอกุศลทางกายมีอะไรบ้างมีอยู่สามข้อด้วยกันที่เป็นการกระทำที่ไม่เป็นมงคลเป็นการกระทำที่เป็นอัปปมงคลนำความเสื่อมเสียนำความทุกข์มาให้กับใจ ข้ที่หก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อที่สองก็คือการนักทรัพของผู้และข้อที่สก็คือการประพฤติผิดในกามนี่คืออกุศลทางทางกายกระทําด้วยร่างกายของพวกเราทุกคนเราจรึงต้องคอยมีสติคอยเฝ้าดูการกระทําของร่างกายของเรา อย่าให้การกระทำของร่างกายของเรานั้นเป็นอกุศลขึ้นมาคือเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมถ้าเราอยากจะไม่ให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเกิดขึ้นตามมาจากการกระทำ อ, อกุศ ล, ลกรรมทั้งสามข้อนี้ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมแล้วก็มาคอยชำระกําจัดอากุศลทางวาจาอากุศลทางวาจาก็มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือการพูดปดข้อที่สองก็คือการพูดคำหยาบข้อที่สาม ก็คือการพูดเพ้อเจ้อพูดไร้สาระไร้ประโยชน์ข้อที่สี่ก็คือการพูดส่อเสียดยุยงให้ทะเลาะกันให้โกรธเกลียดกันนี่คือคำพูดที่ไม่ควรที่จะพูดเพราะพูดไปแล้วจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจนั่นเองวิธีที่เราจะแก้ การกระทอาอากุศลกรรมทางวาจาสี่ข้อนี้ก็ต้องแก้ด้วยหนึ่งไม่พูดปด 2. สองไม่พูดคำหยาบสามไม่พูดเพ้อเจ้และสี่ไม่พูดสอเสียยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาสกัน น, นี่คืออกุศลกรรมทางวาจามีอยู่สี่ข้ออย่าปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันมีบทบาทเพราะมันจะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่จิตใจของเราถ้าเราอยากจะให้จิตใจของเราอยู่เป็นปกติสุขอยู่อย่างไม่นุ่นวายไม่มีเรื่องมีราว เราต้องคอยสอดส่องดูแลการพูดของเราว่าพูดในเรื่องอกุศลกรรมหรือไม่ น, นี่ก็คือ อ, ก, อกุศลอกุศลกรรมทางวาจามีสี่กับกายอีกสามรวมเป็นเจ็ดที่เหลืออีกสามข้อคืออกุศลกรรมทางใจเกิดขึ้นในใจ ไม่ได้เกิดที่การพูดหรือการกระทาแต่เกิดที่ในความนึกคิดของใจก็คือหนึ่งความโลภสองความโกรธสามความหลงนี่คืออกุศลทางใจที่เราควรที่จะคอยกำจัดอย่าปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมา พอมั น, มนโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจนั้นเองวิธีที่จะแก้อกุศนทางใจนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมืออยู่สองชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเรียกว่าสติชิ้นที่สองเรียกว่าปัญญาหรือถ้าจะพูด อีกแง่หนึ่งก็คือสติก็คือการบำเพ็ญส ม, มถาภาวนาการเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอเวลาใจที่นิ่งที่สงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้แต่การหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยสติ ด้วยการบำเพ็ญส ม, มถะภาวนานี้จะหยุดได้เป็นครั้งเป็นคราวไปจะไม่สามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรถ้าต้องการที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีในใจให้หมดสิ้นไปอย่างถาวร จำเป็นต้องใช้อีกขั้นหนึ่งใช้เครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งควบคู่กับสติก็คือปัญญาปัญญาจะสอนให้เห็นโทษของความโลภของความโกรธของความหลงว่าเวลาที่เกิดความโลภเกิดความหลงเกิดความโกรธขึ้นมาจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจ และวิธีที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปอย่างได้อ ย, อย่างยั่งยืนถาวร <c oughs> ก็ต้องให้เห็นสิ่งที่ความโลภต้องการว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่ให้ความสุขได้แบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่สามารถที่จะให้ความสุขได้ตลอดเวลา ถ้าไม่สามารถที่จะอยู่เป็นของของเราได้ตลอดเวลาเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามีเกิดมีดับเป็นธรรมดามีมามีไปเป็นธรรมดาเวลาจเจริญก็ให้ความสุข เวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์ถ้าไม่อยากจะต้องเจอกับความทุกข์ก็อย่าไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มาให้ความสุขกับใจอย่าไปแสวงหาโดยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะแม้แต่ร่างกายเองก็เป็นทุกข์เหมือนกัน น่างกายก็เป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วก็ต้องมีตายตามมาต่อไปมีแก่มีเจ็บระหว่างทางเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นนี้คือปัญญาที่จะทำให้ความโลภต่างๆที่มีในใจ ห, หมดสิ้นไปอยากได้ลาบก็สอนว่าลาบเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลามันหมดไปก็ทำให้เสียใจทำให้เดือดร้อน ยศถาบรรดาศักดิ์ก็เช่นเดียวกันได้มาก็ดีใจเวลาสูญไปก็เสียใจสรรเสริญก็เหมือนกันเวลาได้ยินสรรเสริญก็มีความสุขแต่พอสรรเสริญหายไปกลายเป็นนินทาขึ้นมาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เราเสพที่สัมผัสเวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกกถูกใจ ก็เกิดความสุขพอไปสัมพัย์กับรูปเสียงกิริยที่ไม่ถูกอกถูกใจขึ้นมาก็เกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะไปควบคุม บ, บังคับให้มันให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวมันสลับกันไปสลับกันมาให้ความสุขแล้วเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไป แล้วก็เปลี่ยนเป็นการให้ความทุกข์ขึ้นมาแทนที่อันนี้คือให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจโลภอยากได้อย่กไปโลภอยากได้อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้กูอย่ามาเกิดในโลกนี้ดีที่สุดเพราะถ้ามาเกิดก็แสดงว่ายังมีความอยากที่อยากจะได้ลาบยศเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสมเสี ก็จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือก็ต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดก็ต้องมาเกิดมาเจอความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนอกจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแล้วก็ต้องเจอกับความเจริญและความเสือมของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่คือขั้นปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา เบื้องตอนเราก็ต้องใช้สติคอยหยุดความโลภความโกรธความหลงด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดทำงานเวลาใจทำงานใจจะมักจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความโลภความโกรธความหลงพอคิดอะไรก็จะคิดแต่เรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องรูปเสียงกลิภภ่นรสพุพธะเรื่องร่างกายของเราเรื่องร่างกายของคนนั้นคนนี้ คิดแล้วก็เกิดความอยากให้ให้ได้แต่ของดีๆมาให้ได้แต่ของที่ยั่งยืนถาวรให้ได้แต่ของที่มให้แต่ความสุขกับเราแต่พอไปเจอของที่ตรงกงินข้ามกับความต้องการความอยากของเราเจอความทุกข์<ม>เจอความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> เจอความเสื่อมของสิ่งต่างๆใจก็จะเศร้าโศกเสียใจ พอเราใช้สติควบคุมบังคับความคิดให้หยุดคิดให้ได้พอใจหยุดคิดเรื่องราวต่างๆที่ใจคิดขึ้นมาเกี่ยวกับลาบยศสระเสริญเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเกี่ยวกับร่างกายของเราหรือร่างกายของคนนั้นคนนี้พอหยุดคิดถึงมันได้ความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไป ชั่วกราวในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิใจจะอยู่กับความว่างความเบาความเย็นความสุขความสบาย mm hmm. เรื่องวุ่นวายใจต่างๆนั้นหายไปหมด mm hmm. แต่เนื่องจากสตินี้ mm hmm. ไม่สามารถที่จะหยุดความคิดได้อย่างยั่งยืนถาวร mm hmm. พอกำลังของสติอ่อนลงความคิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ ออกความคิดโผลขึ้นมาความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาทำงานต่อไปนี่คือลักษณะของวิธีการควบคุมหรือหยุดอากุศลในจิตในเบื้องต้นหยุดด้วยสติก่อนแต่เป็นการอยู่แบบชั่วคราวซึ่งเป็นวิธีที่ได้มีการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในอดีตการคนส่วนใหญ่ที่ออกบวชก็สามารถที่จะกำกำจัดความทุกข์หรือหยุดความทุกข์ของใจได้แบบชั่วคราวด้วยการทำใจให้นิ่งให้สงบเข้าสมาธิคือเข้าฌานขั้นต่างๆเวลาอยู่ในฌานความโลภความโกรธความหลงก็จะไม่สามารถทำงานได้ แต่พอหลังจากออกจากสมาธิออกจากฌานมาพอเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาความโลภโกรธหลงก็จะขึ้นมาทันทีความอยากให้ได้สิ่งที่ดีที่งามไม่อยากต้องการให้ได้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามแต่ไม่รู้ความจริงว่าเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับสิ่งต่างๆ ให้เป็นไปตามความอยากตามความต้องการของเราได้เสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศไม่มีใครไปควบคุมบังคับดินฟ้าอากาศได้เช่นวันนี้ตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกนมาอย่างต่อเนื่องไม่มีใครไปห้ามไปสั่งให้ฝนหยุดได้ เมื่อถึงมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้ฝนตกมันก็ตกออกมาพอเหตุปัจจัยที่จะทำให้ฝนตกหมดไปฝนก็หยุดตกไปพอมันหยุดตกอยากจะให้มันตกมันก็ไม่ตกเพราะมันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจความความต้องการของเราความต้องการของเรานี่ไม่ได้ไม่ได้สำเร็จผลอยู่ทุกครั้งไป อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บางทีก็ได้มา mm hmm. เวลาได้มาก็ดีออกดีใจ <Yeah. S 1> เวลาไม่ได้มาก็เกิดความเสียออกเ mm hmm. สียใจขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาอ mm hmm. น, น, นี่คือสมัยยุคก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรู้นี่ mm hmm. นักบวชทั้งหลายจะรู้จักวิธีหยุดความทุกข์ที่เกิดจากอากุศล ทางใจสามข้อนี้ได้แบบชั่วคราวด้วยการใช้สติเพ่งจิตให้อยู่กับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเป็นต้นก็จะทําให้ความคิดต่างๆนั้นหยุดคิดลงได้พอความคิดหยุดปั๊บความโลภโกรธหลงที่มากกว่าความคิดก็จะหยุดทํางานชั่วคราว ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอกำลังของสติอ่อนลงพอสติไม่ได้ควบคุมความคิดความคิดก็จะเริ่มคิดขึ้นมาใหม่พอคิดแล้วก็เริ่มมีความโลภความโกรธความหลงตามมาต่อไปเพราะว่า จะอยู่ในสมาธิไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะยังต้องมีการมาดูแลร่างกายอยู่ร่างกายต้องมีการเติมอาหารร่างกายต้องมีการขับถ่ายอะไรต่างๆร่างกายต้องมีการเปลี่ยนอิเลียบทผ่อนคลายจะให้อยู่ในอิเลียบทใดอิเลียบทเดียวนี้มันก็จะเกิดความเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นมาได้ จึงไม่สามารถเข้าสมาธิเข้าฌานได้ทั้งวันทั้งคืนต้องมีการออกมาจากสมาธิพอมาจากสมาธิขึ้นมาก็เริ่มคิดพอคิดปับ๊บเดี๋ยวความโลภความอยากความหลงความโกรธก็จะปรากฏตามขึ้นมาไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำอย่างไรให้ความโลภความโกรธความหลงที่หายไปขณะที่อยู่ในสมาธินั้น ไม่ให้ฟื้นคืนขึ้นมาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะทรงตัดสู้ก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็สามารถระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานได้แต่พอเวลาออกจากสมาธิมาพอเริ่มปล่อยให้ใจคิดแล้วให้ไปรับรู้รูปเสียงกิิย์รสโผฏภะชนิดต่าง ่อใจไปสัมผัสกับรูปเสียงกลินรถไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไปคิดถึงเรื่องของร่างกายขึ้นมาความโลภความอยากความหลงก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีสร้างความไม่สบายใจเห็นร่างกายก็วิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของร่างกายเกี่ยวกับสถานภาพของร่างกายว่าจะอยู่ไปได้สักเมื่อไหร่จะจะตายเมื่อไหร่จะเจอโรคภัยไข้เจ็บอย่างไร มันจะมีเรื่องให้ต้องวิตกกังวลเพราะเรารู้โดยธรรมชาติของร่างกายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ว่ามันเป็นของไม่แน่นอนแต่เราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับมันได้อย่างไร mm hmm. พระุทธเจ้าก็ในเบื้องต้นก็เจอปัญหานี้เหมือนกันไม่รู้จะทำไงกับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกาย mm hmm. พอรู้ว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เพียงแต่คิดก็เริ่มจะไม่สบายใจขึ้นมาแล้วไม่รู้สาเหตุของความไม่สบายใจว่าเกิดจากอะไร<ม>ก็เลยต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเปรียบเทียบดูเวลาที่อยู่ในสมาธิความโลภความโกรธความหลงหายไปความทุกข์หายไปความคิดหายไปพอโผมาพอมีความคิดปั๊บ ความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาไอตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์คืออะไรก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่ความอยากต่างๆเราจะทําให้ความโลภความโกรธความหลงความอยากหายไปในขณะที่ไม่ได้เข้าสมาธิก็ส่งวิเคราะห์ว่าความอยากความโลภนี่เกิดจากความหลงการที่ไม่เห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่ความโลภความอยากต้องการไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเจริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาเป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันเจริญได้เพียงอย่างเดียวได้เราต้องการให้มันเจริญไปตลอดเวลาเราให้พรกันก็ขอให้สุขให้เจริญไปตลอดให ไม่มีความเสื่อมไม่มีความทุกข์แต่เราก็ไปสั่งมันไม่ได้เพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่านเรียกว่าอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปพอมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเกิดพอเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดหมดไปปรากฏการณ์อ น, นัตก็หายไปอยางเช่นฝนตก ฝนตกก็มีเหตุเพราะมีเมฆกาอตัวกันเอาเมฆก่อตัวกันมากๆมันก็ตกลงมาเป็นฝนพอพอเมฆสลายตัวไปฝนมันก็หยุดไปแล้วเดี๋ยวเมฆมันก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่เราก็จะมีฝนขึ้ น, นมาใหม่อัในใดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นราบยศสรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิ่นรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกาย มันเป็นอนัตตาทำมันมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถไปสั่งไปกําหนดได้ว่าให้มันเป็นอย่างนี้ไปอย่างเดียวเกิดมาแล้วให้มันเจริญให้มเติบโตยอย่างเดียวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายไม่มีใครไปสั่งมันได้เพราะมันเป็นอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์กับมันก็อย่าไปอยากเท่านั้นเอง อย่าไม่โลภอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เราหยุดได้หยุดความโลภความอยากได้เพาเราสอนด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลถ้าอยากจะทุกข์ก็ปล่อยให้เป็นไปอยากจะได้อะไรก็อยากไปแล้วพอไม่พอไม่ได้ก็จะทุกข์อยากไม่แก่พอแก่ก็จะทุกข์อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะทุกข์อยากไม่ตายพอจะตายก็จะทุกข์ เพราะห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แต่สิ่งที่ห้ามได้ก็คือความอยากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเรามีกําลังของสติที่หยุดความอยากได้เพียงแต่เราไม่รู้ว่าความอยากเป็นตัวที่สร้างให้สร้างให้สร้างความทุกข์ใจให้กับเราเั่านั้นเองพอมาวิเคราะห์ด้วยปัญญาแล้วถึงจะเห็นว่าความทุกข์ใจนั้นเกิดจากความอยากอยากได้ในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะ เป็นไปได้ก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาก็เพียงแต่ให้ยอมรับความจริงหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่ไม่ปรากฏขึ้นมานี่คือการตัดสั้นของพระพุทธเจ้าตัดสั้เหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของใจเท่านั้นเอง เหตของความอยากก็คือความหลงไม่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นอนัตตาสัพเพ昙มาอนัตตาอพอเห็นปับ๊บมีใครไปอยากให้ฝนไม่ตกบ้างอยากไปมันก็ไม่ไม่เกิดฝนขึ้นมาฝนมันจะตกหรือไม่ตกมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรามันมีเหตุมีปัจจัยทำให้มันตกมันก็ตกไม่มีเหตุปัจจัยให้มันตกมันก็ไม่ตก เหตุปัจจัยที่ทําให้ร่างกายแก่เจ็บตายก็คือการเกิดเกิดแล้วมันก็จะมีการดาเนินการไปตามวัฏจักรของมันตามขั้นตอนของมันเกิดแล้วก็จะเริญเติบโตพอจะเริญเติบโตเต็มที่แล้วก็เริ่มนับถอยหลังเริ่มแก่ลงไปทีละเล็กเทียรน้อยแล้วในที่สุดก็แก่มากขึ้นมากขึ้นเจ็บมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็ต้องสิ้นสุดลง นี่คือการใช้ปัญญาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนมีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่สามารถค้นคว้าสาเหตุของความทุกข์ใจเวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความหลงเกิดจากการไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่มีปรากฏขึ้นในโลกนี้พอเห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ก็จะหยุดความอยากได้ทันทีเพราะไม่ต้องการจะไปหาความทุกข์นั่นเองความทุกข์ก็เลยไม่เกิดขึ้นสาหรับผู้ที่หยุดความอยากได้ผู้ที่เห็นตายลัคนในสิ่งต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นการกาจัดอกุศลทางใจแบบยั่งยืนถาวรถ้ากาจัดอกุศลทางใจได้แล้วก็ปัญหาต่างๆก็จะหมดไป เพราะาอากุศลทางวาจาและทางทางกายก็เกิดจากความหลงนี่เองความหลงที่ไม่รู้ผิดถูกดีชั่วไม่รู้ว่าอากุศลกรรมเป็นการกระทําที่สร้างความทุกข์ให้กับใจพอเกิดปัญญาปั๊บนี่ก็จะหยุดอกุศลกรรมได้ทั้งหมดเลยอกุศลกรรมทางกายทางวาจาและทางใจได้หมดสิน้น พอโมจักกุศลกรรมทางใจแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจก็จะหมดไป mm. นี่แหละคือวิธีที่เราจะมาดูแลรักษาใจของเราแบบที่เราดูแลรักษาร่างกาย mm. เราดูแลรักษาร่างกายด้วยการให้ปัจจัยสี่แก่ร่างกายเราให้อาหารเราให้เครื่องนุ่งหม่มเราให้ที่อยู่อาศัยเราให้ยารักษาโรคแก่ร่างกายร่างกายก็จะอยู่เป็นปกติสุขไป ตามตามความเป็นจริงของเขาถ้าเราต้องการให้ใจเราอยู่อย่างเป็นสุขไม่มีทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเราก็ต้องกําจัดอกุศลกรรมทั้งส0บประการตามที่ได้แสดงมาตั้งแต่ต้นนี่คือเรื่องราวของการรักษาใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กําหนดไว้คือประมาณสามสิบนาที แล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นช่วงของการปฏิบัติเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้มาปฏิบัติเราจะมาปฏิบัติขั้นกําจัดกุศลกรรมทางใจแบบชั่วคราวคือการเข้าสมาธิการนั่งสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งใจสงบแล้วความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะหายไปชั่วคราว เอ็นตอนนี้ถ้าเราทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอเรามานั่งสมาธิควบคุมใจไม่ให้คิดถึงสิ่งต่างๆได้ความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเหล่านั้นก็จะหายไปแบบชั่วคราวอันนี้ก็คือการปฏิบัติกําจัดอกุศลกรรมทางทางใจความโลภโกรธหลงแบบชั่วคราวด้วยการเจริญสติควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เอใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบความโลภกดนหลงก็จะหายไปชั่วคราวความคิดก็จะหายไปชั่วคราวความทุกข์ก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะเกิดความสุขเกิดความสบายใจขึ้นมาชั่วคราวต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันมาหยุดความคิดกันด้วยการใช้สติเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีสติเราไม่สามารถที่จะหยุด ความคิดได้เพราะความคิดนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งการที่รถยนต์ที่วิ่งไปนี้ถ้าเราอยากจะให้มันหยุดนี้เราต้องมีเบรกเราต้องเหยียบเบรกพอเหยียบเบรกปั๊บรถที่วิ่งมันก็จะค่อยๆหยุดลงมาอันในใจของเราที่คิดมาตั้งแต่ตื่นมาจนถึงวันตอนนี้ไม่เคยหยุดคิดสักทีถ้าเราต้องการให้มันหยุดคิดเราต้องเหยียบเบรกเราต้องใช้สติหยุดความคิดการใช้สตินี้ต้องใช้สติ ด้วยการผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ที่จะทำให้ใจนิ่งให้สงบอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปก็คือการใช้พุทธานุสติให้มีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ด้วยการบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไปภายในใจหรือจะใช้กรรมฐานอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอาณาปานสติก็คือ การผูกใจผูกใจให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกสติคือการระลึกรูก้ให้ระลึกรู้อยู่กับลมเข้าลมออกไปง่ายๆไม่ต้องทำอะไรให้ดูลมเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสติมีกำลังมากก็จะดึงไว้ได้ถ้าสติมีกำลังน้อยก็จะดึงไม่ได้กำลังของความคิดจะแรงกว่า แต่ก็พยายามถ้ารู้สึกว่ายังดูลมไม่ได้หรือบริกรรมพุโทโธไม่ได้ก็ใช้อุบายของการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์นี้เราก็เรียกว่าธรรมานุสติเพราะบทสวดมนต์นี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือจะฟังเทศก็ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้เพื่อกล่อมใจให้เบาลงให้คิดน้อยลงเพื่อที่จะมาดูลมต่อไปได้หรือบริกรรมพุโทโธได้ และในขณะที่นั่งก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่แทรกเข้ามาบางทีก็เป็นเสียงบ้างบางทีก็เป็นรูปภาพก็มีบางทีก็เป็นแสงก็มีบางทีก็เป็นความรู้สึกของร่างกายก็มีคันตรงนั้นบ้างคันตรงนี้บ้างเจ็บตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างอย่าไปสนใจให้เกาะ อ, อยู่กับกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์ถ้าใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธพุโทโธไป พุทโธนี้เราจะท่องช้าท่องเร็วก็ได้แล้วแต่เราท่องไปล้วถ้ารู้สึกว่ายังอยากจะพักสักเดียวก็ได้ถ้ามันถ้าเราไม่ไปคิดอะไรก็เราพอจะเริ่มคิดแล้วก็พุทโธพุทโธต่อก็ได้หรือดูลมไปก็ดก็ดูลมที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกเข้าออกก็รู้ว่าเข้าออกไม่ต้องตามลมเข้าไปาลมสั้นลมยาวก็รู้เฉย หยาบละเอียดก็รู้เฉยเฉหายไปก็รู้เฉยเฉยให้รู้อยู่จุดเดียวถ้าหายนี่แสดงว่ามันจะเข้าเข้าสู่ความสงบเต็มที่แล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็เข้าได้นี่คือวิธีการนั่งสมาธิโดยสังเขตที่เอามาฝากท่านในในขณะที่เรากำลังจะนั่งสมาธิต่อไปนี้เราจะนั่งประมาณสัก25นาทีด้วยกัน อตอนนี้เวลาสำหบการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกขอให้สังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบก็ให้จดจำวิธีนั่งไว้ของวันนี้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งต่อก็ใช้วิธีนี้นั่งต่อได้เลยจิตก็จะสงบเหมือนวันนี้ได้อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะมันจะไม่สงบด้วยความอยาก ถ้านั่งยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีกำลังน้อยมันเจริญสติระหว่างวันไปเรื่อยๆมันท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจเราสามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับพุโทโธไปหรือเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไปแล้วสติก็จะมีกำลังมากขึ้นต่อไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราภิกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสัมิชะโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติ อราโสยะธาสัพพิติโอวิวาชนตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะตวันตายยสุขิทีกายุโกภวะอภิวาทานสีลิสานิจังุทธะปจายโนจตารุธรรมาวทาันติอายุวันโสุขัง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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติราพิชาโต288 YouTube พระสุชาติไล v e 299 YouTube Dr.V Channel 32วิธีวออนไลน์8คลับ House 9ผู้รับฟั่งธรรมหน้ากุติ291ท่านรวมทั้งหมด927ครับเชิญถามได้ คำถามจากผู้รับฟังธรรมหน้ากุฏิหนูไปแอบชอบสามีชาวบ้านตัดใจไม่ได้อยากจะได้มาเป็นของเราต้องทำอย่างไรดีครับคิดถึงตอนที่เ็เป็นสร้างสมบัมกิได้มาแล้วเขาตายไปจะทำยังไงไม่มีรายเที่ยงแท้แน่นอนอแต่บาปที่เราต้องไปใช้นี่เราต้องไปเกิดเป็นสธธัตว์เดรัจฉานมันคุ้มค่าไหม คำ ถ, ถามต่อไปจากทาง Facebook youtube คุณก้องถ้าหากการไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นกิเลสประเภทหนึ่งที่เรียกว่าวิภาวะตัณหาแต่ว่าการเบื่อหน่ายการเกิดไม่อยากเกิดมาทุกข์อีกนั้นทําไมถึงไม่ใช่เป็นวิภาวะตัณหาประเภทหนึ่งครับเพราะว่ามันดับความทุกข์ได้มันไม่ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์ความอยากที่สร้างความทุกข์เป็นเป็นกิเลสเป็นตัณหา ความอยากที่ดับความทุกข์ได้เป็นมรรคเป็นธรรมคำถามต่อไปจากคุณประภัยจิตของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจิตของผู้ที่อบรมจิตดีแล้วถูกต้องหรือไม่อย่างไรครับก็ถูกต้องเลยคำถามต่อไปจากคุณธินกรผมฝึกนั่งสมาธิในเช้าวันหนึ่ง เข้าสมาธิได้อย่างรวดเร็วจนจิตสงบและรู้สึกโล่งว่างอย่างยิ่งจนรู้สึกอยากสละละวางแต่ก็เหมือนถูกยึดถูกดึงไว้ตรงกลางหน้าอกเหนือสะดือต้องแก้ไขอย่างไรครับให้รู้เฉยเฉยไ ป, อ ย, ไป อ, ยอย่าไปอยากอย่าไปอยากละอยากอะไรให้รู้เฉยเฉยไปความอยากมันอาจจะสร้างอาการต่างๆเกิดขึ้นตามมาเนี่อย่าไปอยากไม้รู้เฉยเฉย คำถามต่อไปจากคุณทวินนี่ถ้าเราเจริญสติแต่ไม่ได้ต่อเนื่องมีเผลอมีหลุดสิ่งที่พยายามไปบ้างจะถือว่าเป็นศูนย์ทำไปไม่เกิดผลเลยหรือไม่ครับหรือก็เป็นการสะสมสติไว้ในจิตยอยู่บ้างครับก็เป็นการสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยดีกว่าไม่ทำเลยถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็จะเผลอน้อยลงสติยาวขึ้นต่อเนื่องมากขึ้น ยิ่งยิ่งทำมากขึ้นไปต่อไปมันก็จะมีกำลังมากขึ้นต่อไปนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นได้นานขึ้นคำถามหมดแล้วครับ ค, มมคำถามจากผู้รับฟังธรรมนาคุติครับในช่วงชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะจบชีวิตควรกาหนดจิตอย่างไรครับถ้าจบชีวิตจากการป่วย อตอนนั้นก็กําหนดไม่ทันนั่นแหะต้องกําหนดตอนนี้เลยต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนนักกีฬาที่จะไปแข่งโอลิมปิกเขาไม่ไปซ้อมวันพรุ่งนี้หรอกจะแข่งขันวันพรุ่งนี้มาซ้อมวันนี้มันไม่ทันกา ร, รกต้องซ้อมเขาซ้อมเป็นปีๆเลยเนี่ยกว่าจะไปขึ้นสู้กับสื่อโอลิมปิกได้อันใดความตายก็เป็นเหรียญทองของชีวิตเนี่ยอยากจะคว้าเหรียญทองก็ต้องฝึกไว้ตั้งแต่ตอนนี้ มาฝึกนั่งสมาธิมาฝึกสอนใจให้ปล่อยวางร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราถึงจะสามารถที่จะผ่านได้ได้เหรียญทองโอลิมปิกได้คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติสองคำถามครับคำถามแรกสติกับสัมปันชัญญะต่างกันอย่างไรครับสัมปันชัญญะแปลว่าต่อเนื่อง สติตอนแรกมันจะล้อมลูกคลุกขานตั้งสติได้แป๊บแล้นเนี่ยมันก็หายไปเราก็หายไปแล้วตั้งใหม่หายไปก็ตั้งใหม่ถ้าตั้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่หายมันก็เรียกเป็นสัมปะชัญญาต่อเนื่องคําถามที่สองหากเรามีวิธีที่จะรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บป่วยการพยายามรักษาร่างกายตนเองไม่ให้ป่วย เป็นกิเลสหรือไม่ครับเพราะการเจ็บป่วยไม่สามารถห้ามได้ครับถ้าอยากให้มันไม่เจ็บป่วยก็เป็นกิเลสแต่ถ้ารักษาไปทําตามหน้าที่มีหน้าที่ดูแลรักษาให้มันดีที่สุด <ś led> เพื่อที่จะได้ไม่เจ็บป่วยอันนี้เราก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้ามันเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับมันถ้าเรายอมรับมันมันก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าเราไม่ยอมรับมันมันก็จะเป็นกิเลสมันจะสร้างความทุกข์ให้กับเรา คำถามหมดครับเรื่องการดูแลร่างกายก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลมันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีปัญหาเพราะเรายังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการกระทำต่างๆอยู่แต่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันเป็นกิเลสมันจะสร้างความทุกข์ให้เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันจะตายแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตาย ถึงเวลาก็ยอมเจ็บถึงเวลาแล้วเมื่อเราทำอะไรไม่ได้มันจะเจ็บก็ยอมเจ็บไปถึงเวลามันจะตายหยุดมันไม่ได้มันจะตายก็ยอมตายไปอย่างนีน้ใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะไม่เป็นกิเลสมีคำถามเข้ามาจากคุณน้ำตาลการฝึกเจริญสติระหว่างวันเราควรทาอย่างไรครับถ้าต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดด้วยหรือทำงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ต่างกันไปด้วยครับก็มีสติอยู่งานที่เรากำลังทำอยู่อย่าอย่าไปให้อย่าปล่อยให้ใจไปที่อื่นให้อยู่ที่ทำงานอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ไม่ใช่ทำงานไปก็คิดถึงเพื่อนบ้างคิดถึงแฟนบ้างคิดถึงขนมบ้างคิดถึงอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ควรทำอย่างนี้แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็ต้องอยู่กับงานที่เรากาลังทา กำลังทาบัญชีก็ต้องอยู่กับการทาบัญชีกำลังบวกลบคูณหารรายรับรายจ่ายอะไรก็ต้องให้อยู่กับงานที่เราทำแต่สติแบบนี้ยังไม่ถือว่าเป็นสติสำหรับการที่จะไปใช้กับการนั่งสมาธิเพราะเป็นสติที่ยังปล่อยให้ความคิดคิดได้อยู่ถ้าอยากจะเจริญสติแบบที่จะทำให้ไปนั่งสมาธิได้น่ต้องเป็นสติแบบไม่คิดในการที่จะทาสติแบบไม่คิดได้ต้องไม่มีงานทา เช่นวันหยุดทำงานไปอยู่วัดสักสองสามวันอย่างนี้แล้วก็ไม่มีงานอะไรให้ทำนอกจากคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยสติถ้าถ้าหยุดความคิดไม่ได้เวลามานั่งสมาธิจิตมันก็จะไม่สงบคำถามต่อไปจากคุณชัยยันทหารและอาสาสมัครจิตอาสาญาตพี่น้องผมที่ตกอยู่ในความวิตกกั ง, ลกกงวลและห่วงใย อาศัยอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงตามชายแดนควรใช้ธรรมะข้อใดพิจารณาครับหรือควรใช้การเจริญสติแบบใดเพื่อลดความวิตกกังวลและเพิ่มแรงกำลังใจให้ตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่และในการใช้ชีวิตครับก็ให้พิจารณาว่าชีวิตเราไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนไม่มีใครรู้คนที่อยู่ที่ไกลจากชายแดนก็อาจจะตายก่อนก็ได้ ตอนนี้คนที่ขับรถเมาตายกันเยอะแยะไม่ได้อยู่ใกล้าชายแดนเลยคนที่อยู่ใกล้าชายแดนกับไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรก็มีเพราะฉะนั้นให้เรามองโลกแบบกว้างๆมองว่าความตายนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนจะตายเมื่อไหร่สถานที่ตรงไหนนี่มันไม่มีใครไปกำหนดได้ให้คิดว่าเมื่อมันถึงเวลาตายก็ยอมตายไปพร้อมตายไปถ้ายังไม่ถึงเวลาตายก็อยู่ไปท่า น, นี้มันก็จะไม่ทุกข์ไม่กังวล ม่ว่าจะอยู่ที่ไหนปลอดภัยขนาดไหนถ้าถึงเวลามันจะตายมันก็ตายได้คำถามหมดแล้วครับให้ยอมรับความตายให้ได้เท่านั้นแหละและ้วความตายนี้ก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ได้เป็นผู้ตายซะหน่อยร่างกายไม่ใช่เราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นเหมือนคนขับรถ เวลารถพังนี่คนขับพังไปกับรถหรือเปล่าก็ไม่ได้พังนะรถเสียรถใช้ไม่ได้ก็ขายทิ้งไป mm. เข้าอูไปคนขับก็ไปหารถใหม่ mm. มีเงินเยอะกว่าเก่าก็กซื้อรถ ด, ดีกว่าเก่ามีเงินน้อยกว่าเก่าก็ซื้อรถที่ราคาถูกกว่าเก่าร่า mm. งกายเราตายไปก็เหมือนเปลี่ยนรถใหม่ mm. ถ้าบุญเยอะกว่าเก่าก็กจะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่า ถ้าบุญ น, น้อยก็จะได้ร่างกายที่ไม่ดีเท่ากับของเก่าเท่านั้นแหะร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของไม่เที่ยงมันจะต้องจะต้องพังมันจะต้องตายเหมือนรถยนต์<ม>เราเป็นคนขับรถยนต์เราเป็นคนขับร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราไม่มีวันตายใจนี้เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันตาย<ม>แต่มาหลงยึดติดกับร่างกายเพราะต้องใช้ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุข ถ้าเราอยากไม่อยากจะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายเราก็มาหาความสุขผ่านทางสติปัญญาดีกว่ามานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธินี้เราไม่ต้องใช้ร่างกายเราใช้สติเวลาสติเวลาจิตสงบด้วยสติก็มีความสุขและมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการใช้ร่างกายไปดูไปไปดูไปฟังไปกินไปดื่ดดมอะไรต่าง แทนถ้าไม่อยากจะต้องตายเรื่อยๆก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันมาหาความสุขจากการนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วใช้ปัญญาตัดความอยากต่างๆให้มันหมดไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมามีร่างกายกต่อไปไม่ต้องใช้ร่างกายเราจะอยู่แบบกายเทีบอย่างเดียวได้กายเทีบที่มีความอิ่มมีความสุขมีความพอเราเรียกว่านิพพานคําถามต่อไปจากคุณนิ่ม วันนี้นั่งสมาธิพร้อมกับพระอาจารย์ครับท่องคำว่าพุโทโธพุโทโธแต่มีความคิดแทรกเป็นระยะระยะลูกก็ดึงความคิดกลับมาทันทีเป็นแบบนี้จนหมดเวลาครับลูกทำถูกวิธีแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วเราต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความคิดที่โผล่ขึ้นมาเราห้ามมันไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้แต่เราอย่าไปส่งเสริมมันได้ด้วยการไม่ไปคิดกับมัน เราคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆต่อไปเมื่อกําลังของสติเรามากขึ้นมากขึ้นอยู่กับพุโทโธได้นานขึ้นได้ต่อเนื่องขึ้นความคิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆคําถามต่อไปจากคุณป๊อบบี้การนั่งสมาธิกับการนั่งวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับคือนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบนั่งวิปัสสนาเพื่อให้เห็นให้เกิดปัญญานั่งพิจารณา กิเลที่มีในใจว่าความโลภนี่ไม่ดีเวลาเกิดความโลภ้วทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราวุ่นวายอันนี้เมียกว่าวิปัสสนาหมดลวครับหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเชิญถามได้นะอเข้ามาเชิญหยิบไมโครโฟนไป การนมัสการพระอาารย์ค่ะทุกวันทุกวันนี้พยายามทำความเพียร น, นั่งสมาธิตลอ ด, อดแต่สิ่งที่สู้กับกิเลสไม่ได้คือพังเพอหลับทุกครั้งที่นั่งสมาธิอ่ารก็บอกแล้วมันกินมากไปถ <c oughs> ้าจะนั่งสมาธิไม่ให้หลับก็นั่งตอนที่มันหิวเลย <c oughs> นั่งก่อนนั่งก่อนกินอย่าไม่อย่าไม่นั่งตอนหลังที่กินหิมแล้วเพราะตอนนี้นั่งคือทาน ใช่ค่ะนั่งทานข้างเสร็จที่ทํางานก็ขึ้นไปนั่งห้องพระห้องข้างบนอย่างนี้ก็หลับมันสบายเพราะว่าตอนเช้าต้องรีบไปทํางานเพราะตอนเย็นกลับมาดึกก็ลองหาเวลานั่งตอนที่ยังไม่ได้กินดูได้ค่ะมันจะไม่ง่วงแต่ก็ไม่ได้นะมันอาจจะมีพลังงานสะสมอาหารสะสมอยู่เยอะคราวนี้ดีก็ต้องลดอาหารกินอาหารให้น้อยลงค่ะอาจารย์คนนักปฏิบัติส่วนใหญ่เขาจะถือศีลแปดกันไม่กินเนื้อเย็นกัน ได้ค่ะน่ะพยายามลดอาหารลงเข า, าจะได้ประโยชน์สองอย่างได้สมาธิด้วยได้หุ่นกลับคืนมาด้วย <c oughs> ยังไม่มีคำถามค อ, อับหลวงพ่อมีใครอยากถามให้ทั้งนี้เชิญถามได้นะ <c oughs> ถ้าไม่มีก็เอาเท่านี้ก่อนสำหรับวันนี้